มีคนไหนยังไม่ได้ส่งกันบ้านนะทีบางประกงเนี่ยวันแรกบอกให้รีบส่งไม่ยอมส่งจับหลักให้แม่นๆนะเราง่ายง่ายมากๆเลยถ้าจับหลักผิดเราก็พลาดไปพอาวนาผิดแล้วเวลาไปบอกคนอื่นก็บอกผิดอีกลำบากหลักต้องแม่นนะ คือการปฏิบัติธรรมมันมีสองส่วนส่วนของสมถะกับส่วนของวิปัสนาสมถะเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตใจมันสงบสุขมีความสุขมีความสงบมีความสบายให้จิตใจมันดีข่มกิเลสราคาโทสะโมหะได้วัตถุประสงค์มันเป็นอย่างนี้ส่วนวิปัสสนานั้นทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจ ว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็เบื้องปลายจะเห็นมันเป็นแต่ตัวทุกข์นะแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจการวิปัสสนาทําไปเนี่ยถึงเบื้องต้นนะจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรากายกับใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มีเบื้องปลายจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันก็ไม่ทุกข์ละเพราะตัวที่ทุกข์มันคือตัวกายแั่ใจนะพอปัญญามันแจ้งแล้วมันไม่ต้องกลับมาคอยระวังรักษาจิตอีก จิตมันไม่หยุดกายยุดใจเองหละไม่ต้องรักษาเลยส่วนสมถนะสงบไปได้ช่วงหนึ่งก็เสื่อมฟุง้งขึ้นมาอีกก็ต้องทําใหม่ดีได้ช่วงหนึ่งก็ชัว่วอีกก็ต้องฝึกเอาใหม่นะเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมอยู่อย่างนั่นเองเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้จริงแต่สมถาก็มีประโยชน์คือทําให้เรามีเรี่ยวมีแรงจิตใจชุ่มชื่นเบิกบานมีแรงที่จะเจริญปัญญาต่อไปได้ มีหลายคนทำสมถะแล้วไม่ยอมเจริญปัญญาต่อไปเยอะมากเลยโนะดยเฉพาะพวกพระพระติดสมถะเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวนโยมก็ชอบปฏิบัตินะโยมก็ติดสมถะเยอะเยอะกว่าพระอีกเพราะโยมมีเยอะกว่าพระวัตถุประสงค์มันต่างกันสมถะกับวิปัสนาวิธีการก็ต่างกันสมถะทำไปให้จิตสงบจิตสบายจิตอยู่ในอารมณ์เดียวโดยปกติจิตของเรานะร่อนเร่ไปเรื่อย เดี๋ยวปิ้งไปทางตาหูจมูกเลนกายใจนะเดี๋ยวจับมันน้อนจับมันนี้พุ่นวหยอยู่ตลอดเวลาวิธีทําสมถาก็คือน้อมจิตเนี่ยให้มันไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวแทนที่จะให้มันร่อนเร่วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งไปโน้นวิ่งไป น, น, ไปนี่ตลอดเวลาก็พาให้มันมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่มนมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับท้องพองยุบมาอยู่กับยกเท้าย่างเท้ามาอยู่กับอิริยาบทสี มาอยู่กับการเพ่งใส่มือเนี่ยขยับมือแล้วก็เพ่งโ่รมความแล้วเพ่งอะไรก็คือเป็นสมถะทั้งนั้นนะให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วก็เป็นสมถะนะวิปัสสนาไม่ได้มุ่งที่จะให้จิตอยู่ในอารมณ์ันเดียวไม่ว่าจิตจะล่อนเร่ไปสู่อารมณ์ใดๆนะก็จะมีสติมีปัญญารู้ทันสองอย่างอันหนึ่งเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายนะั้นนะก็เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ตัวจิตเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะสั่งจิตให้ไปอยู่ที่เดียวตลอดเวลานะห้ามรู้อารมณ์อย่างอื่นเนี่ยห้ามไม่ได้จริงนะอย่างเราไปอยู่กับพุทธโธพุทธโธแว๊บหบนึ่งก็หนีไปเรื่องอื่นนะอยู่ก็ลมหายใจทำความสงบเข้ามานะไม่นานพอออกจากสมาธิจิตก็ฟุ้งซ่านไปที่อื่นอีกรวิปนะัสสนานะมันไม่ได้ฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียว แต่ไม่ว่าจิตจะไปทำงานอะไรเนี่ยก็จะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งจิต ท, ทั้งอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยวนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเลยมวิธีการก็ไม่เหมือนกันั้นวิปัสส น, นาไม่เลือกอารมณ์นะต้องเป็นอารมณ์เกี่ยวกับกายกับใจแล้วก็ใช้ได้เท่านั้นไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องต้องรู้ลมหายใจอย่างเดียวรู้ท้องฟองยุบอย่างเดียวอะไรเนี่ย ถ้ามุ่งทําให้รู้อารมณ์อย่างเดียวเป็นสมถะแน่นอนถ้าวิปัสสนาจริงๆเลือกไม่ได้หรอกเดี๋ยวจิตก็ไปรู้รูปไปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานะทั้งจิตทั้งอารมณ์ที่จิตไปรู้เนี่ยนั้นแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยเช่นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธก็ต้องดับไปไม่มีหรอกที่ความโกรธเกิดแล้วไม่ดับ นะมีปัชนาเลยดูไปเรื่อยเลยจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิน้นสติปัญญาระดับที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเนี้ยเป็นความรู้ของพระโสดาบันผู้ใดที่จิตรู้แจ้งว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นดับไปเป็นธรรมดานั่นคือพระโสดาบันันะนไมไม่เกี่ยวอะไรกับการอยู่ในอารมณ์มันเดียวนิ่งๆ น, นี่พวกเราติดนิ่ง นิ่งลูกเดียวคุยอวดกันเรื่องปฏิบัติก็มีแต่เรื่องนิ่งไม่ก็เรื่องปิติเรื่องอาการตลาดตลาดทางร่างกายทางจิตใจเช่นนั่งภาวนาเห็นผีเห็นสางเห็นตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ภาคภูมิใจนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาเลยนั่งแล้วเห็นแสงบุบบุบบ้าบๆนั่งแล้วรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักตัวเบาอะไรเนะี่ยหรือนั่งแล้วก็ขนลุกขนชันอะไร นั่งแล้วเห็นร่างกายระเบิดเปรี้ยงๆ เ, เห็นโลกแตกเห็นอะไรต่ออะไร น, นั่งแล้วรู้อดีตรู้อนาคตอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับวิปัสสนาเลยนี่พวกเราที่ภาวนาจำนวนมากเลยเป็นหลงกับเรื่องบ้าๆปอๆพวกนี้หาสาระอะไรไม่ได้ไม่ได้พาให้พ้นทุกข์ได้เลยมีแต่ทําให้กิเลสหนากว่าเก่าอีกรู้สึกว่ากูเก่งกว่าคนอื่นอีกนี่กูดูโลกแล้วโลกแตกเปรี้ยงเลยถามว่ามันแตกจริงซะที่ไหนมันก็ยังอยู่นี่แหละ หลวงพ่อเคยเจอน้าพ้าองค์หนึ่งบอกผมภาวนาเก่งผมดับดวงอาทิตย์ได้แล้ว <c oughs> ไปดับดวงอาทิตย์นี่เท่ากับฆ่าคนทั้งโลกเลยะบาปหนักหนาสาหัสเลยมันดับที่ไหนตาจะบอดเอาทเถอะฮะไปนั่งเพ่งดวงอาทิตย์นะเพ่งเพ่งเจอทั้งมองไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> เห็นแต่เป็นมวงๆนิดเดียวบอกนี่ดับดวงอาทิตย์ได้โอ้ <c oughs> คนเรานะีมันไม่เรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไปคิดทําอะไรบ้าๆบอๆขึ้นมาเองดีไม่พี่คนพิการไปนะงานวิปัสสนาเนี่ยอารมณ์อะไรก็ได้นะที่เป็นเรื่องของกายกับใจของเราเองอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราให้เรารู้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรารู้กายรู้ใจนี่เองนะดูเ้าทํางานไปจนเห็นความจริงว่าเขาไม่ใช่เรานะนี่ผลที่ได้จะเป็นยังไง ถ้าสมถะนั่นก็ได้ความสุขได้ความสงบได้ความสบายชั่วครั้งชั่วคราวถ้าวิปัสสนาเนี่ยได้ปัญญาเห็นความจริงเห็นไหมความสงบกับปัญญาเนี่ยคนละเรื่องกันนะทำวิปัสสนาเราได้ปัญญาเห็นความจริงของกายของใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราทำสมถะก็ได้แต่ความสุขความสงบยังต้องแยกให้ออกนะว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนาถ้าเมื่อไหร่น้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะ ถ้าะ่ไรปล่อยให้กายให้ใจทำงานแล้วมีสติตามรู้ความจริงของเข้าไปอันนั้นเป็นวิปัสสนาะให้คอยรู้สึกเคยรู้ทันเวลาเราภาวนาเนี่ยจิตมันชอบพลิกกระทั่งคนที่ทำวิปัสสนานะจิตจะพลิกไปเป็นสมถะเป็นช่วงช่วงช่วงเป็นทุกคนแหลนะเมื่อวานนะ่ยจันกริดจันกฤิมาจันกริดจักริเดี๋ยวนี้ภาวนาเก่งมากนะเก่งทีเดียวหละ เชียกลีดพบว่าวิธีปฏิบัติทำรรนี่มันง่ายจริงๆนี่มบอกเลยเพราะมันง่ายจริงๆนะไม่ได้ทําอะไระรู้ลูกเดียวเลยรู้ไปเห็นขันมันทํางานไปเราไม่ได้ทําอะไระแต่ท่านก็บอกอีกอ่ผมสังเกตนะบางทีจิตมันก็พลิกตัวนิดนึงนะแล้วก็ไปนิ่งๆว่างๆอยู่ไงมันนั้นๆมันน่าจะสมถะนะท่านว่าอย่างนี้นี่ช่างสังเกตบอกใช่เป็นสมถะกระทั่งเราทํำวิปัสสนาอยู่เนี่ยจิตจะพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงช่วงช่วง ไม่มีหรอกวิปัสสนารวดนะไม่มีสมมตารวดเดียวเนี่ยมีนะแต่วิปัสสนารวดเดียวไม่มีจิตมันจะพลิกไปพลิกมาอย่างาบางคนนะดูท้องของยุบเนี่ยถ้าจิตไหลไปเพ่งท้องนะก็ทําสมมติอยู่จิตถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายมันก็เพื่อมไหวอยู่ร่างกายที่ก็เพื่อมไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้อะไรเนี่ยอล้ น, น, นี้ก็เดินปัญญาเป็นวิปัสสนาแล้พลิกไปพลิกมาได้ พุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตเคลื่อนไหแวแเรารู้ทันจิตเคลื่อนไหวแล้วรู้ทัน น, ะนี่ก็ทํำวิปัสสนาได้พุทโธแล้วจิตสงบอยู่กับพุทโธก็เป็นสมถะขยับมืออย่างสายลวงพ่ะเทียนขยับไปนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่เดินปัญญาอยู่เห็นตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ทำํำวิปัสสนาอยู่อีกพวกหนึ่งนะบางเวลาจิตเพ่งเข้าไปในมือจิตไปเกาะ น, นิ่งๆอยู่ในมือ จิตไปเกาะไว้ในมืออย่างนี้นี่เป็นสมถะเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมากระทั่งดูจิตอย่านึกว่าดูจิตแล้วจะเป็นวิปัสสนาเสมอไปคนที่ดูจิตส่วนใหญ่นั้นทําสมถะนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงๆเท่าไหร่หรอกดูจิตยังไงเป็นสมถะก็ไปเพ่งจิตบางคนไม่ได้เพ่งจิตนะไปเพ่งความว่างเพ่งความว่างเพ่งความไม่มีอะไรเลย บางคนก็ดูจิตแล้วก็เคลิมลืมเนื้อลืมตัวลงไปฉะนั้นเป็นเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยนะเพ่งความว่างชื่ออากาสานัญใจ ย, ยตนะเพ่งจิตชื่อวิญญาณัญใจยตนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอากินจัญญายตนะแล้วก็เคลิมลงไปนะแทบจะหมดความรู้สึกเลยนะชื่อเนวะสัญญาณาสัญญายตนะเรื่องของสมถนะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะเวลาเราภาวนาเนี่ยจิตจะพลิกไปพลิกมา บางช่วงเป็นสมสถะอย่างเราดูจิตอยู่นะเราเห็นจิตมันทํางานไปจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอีกดวงหนึ่งเป็นคนรู้นะจิตเกิดทีละดวงนะแต่ต่อกันตลอดเวลาเป็นสายไม่เคยขาดสายเหมือนลูกโซ่ที่คล้องต่อกันไปเรื่อยๆดวงหนึ่งเกิดขึ้นเราก็ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปนะเช่นดวงที่หนึ่งเนี่ยไปเห็นสาวนะดวงที่หนึ่งไปเห็นสาวนี่เห็นด้วยจิตที่เกิดทางตาดวงที่สองนะ เกิดราคะขึ้นมานี่เกิดทางใจแล้วดวงที่สา ม, มีสติรู้ทันว่าดวงที่สองมีราคาะเจอกวนไปอย่างนี้จิตมันกเกิดทีละดวงทีละดวงเห็นอย่างนี้นะเห็นเกิดดับอยู่ก็เดินวิปัสสนาอยู่ก็เพ่งจิตลงไปเฉยๆเป็นสมถะนะนนต้องระวังมากเลยทุกวันนี้คําสอนเกี่ยวกับการเพ่งจิตนี้เกิดขึ้นมากมายเราคิดว่าเป็นวิปัสสนาอันตรายที่สุดเลย บางคนพยายามฝึกจะเป็นพระอรหันต์ทางรัทจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดถืออะไรเลยนะอะไรๆก็ไม่ยึดสักอย่างหนึ่งนะอันนั้นทําผิดนะทําผิดบางคนไปนฟังได้ยินว่าหลวงปู่ ด, ดุลสอนว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแล้วมุ่งทําสิ่งนี้มุ่งจะไม่ยึดอะไรสักอย่างเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคุ้นเคยกับหลวงพ่อดี ท่านเมตตาหลวงพ่อเยอะองนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านยังไม่พ้นทุกนะท่านภาวนาท่านทุดงไปเข้าไปหลงไปถึงพมา่ากลับเมืองไทยไม่ถูกเดินเดินเดินไป ต, ต้นไม้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะเลยท้วงมันต้องไม่ใช่ประเทศไทยอะ่ะประเทศไทยต้นไม้ต้องเล็กๆเล็กๆลงเรื่อยๆนะจนกระทั่งไม่มีเลยเออเนี่ยเมืองไทยแท้ๆนี่ป่าอะไรว่ายิ่งทึบขึ้นเรื่อยๆนะฝนก็ตกอดอาหารตั้งหลายวันนะ งันท่านปลอดชื้นท่านหลบเพื่ไปอยู่ในถ้ำคิดว่าต้องตายแน่แล้วรอบนี้ไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ท่านก็เตรียมตัวตายนะเอาผ้าน้ำฝนนะเอาสังคติพาดไหลครับจะตายแล้วต้องตายในยูนิฟอร์มนะให้สมเป็นนักรบนะใส่ยูนิฟอร์มเอาสังคติพาดเขา้าแล้วตอนตายนะกลัวศพขึ้นอืดจะโป๊นะนี่ยังอุตส่าห์ห่วงอีกนะ ท่านก็เอาผ้าอาบน้าฝนเนี่ยมัดหน้าอกไว้มัดไว้ทิ้งเสร็จแล้วท่านก็ดูของท่านไปโอ้ใจของท่านว่างไม่ยึดอะไรเลยไอ้นอนท์ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดไม่ยึดอะไรสักอย่างนะนี่เราพร้อมจะตายแล้วเราไม่ยึดอะไรสักอย่างเลยท่านดูไปดูไปนะดีที่ท่านไม่ตายสี ก, ก่อนท่านดูไปเรื่อยๆแล้วท่านสังเกตเห็นว่าท่านไปยึดความไม่ยึดอะไรไปเอาความไม่เอาอะไรนะ นี่มันมีความไม่มีอะไรนะามาเพราะท่านเห็นตรงนี้นะใจท่านมันดีดออกเลยนะดีดปิ้งขึ้นมาเลยตอนนั้นกลางดึกแล้วอยู่ในถ้เมื ด, ต ด, ตดตเต๋อเตรียมตายนะท่านบอกว่าถ้านั้นสว่างขึ้นทั้งถ้ำเลยท่านนึกว่าสว่างแล้วหายไข้เลยนะหายไข้เลยนี่ท่านเลยยำนักน้ำหนานะอย่าไปเอากว้างๆนะท่านสอนถึงขนาดบอกว่าอย่าไปทำนะ เตรียมตัวตายแบบอะไรนะตกกรไดพลอยจงพอจงลอยโจนอะไะมันไม่ใช่ไม่ใช่วิธีตกกรไดพลอยโจนที่แท้จริงเนี่ยก็คือฝึกสติของเรานี่แหละรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปเรื่อยไม่ใช่น้อมเข้าไปหาความว่างมีพระองค์หนึ่งหลวงพ่อสอนให้ตกกรไดพลอยโจนหลวงพ่อวันชัยนั่นแหละมาที่นี่บ่อยๆใครรู้จักมั้ยแน่ใจหรือว่ารู้จักอะรู้จักก็รู้จักแต่แต่ก่อนแล้วนะ ตอนท่านตายเราไม่รู้จักลหะหลวงพ่อวันชัยนะหลวงพ่อกะว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะตายแลว้วันนี้เรารีบไปเยี่ยมซึ ก, ก่อนไปถึงไปเยี่ยมที่บ้านกุ้งใช่ไหมไม่ใช่บ้านประสานบ้านกุ้งท่านก็นอนอยู่นะตัวบวมไปหมดแล้วไตวาย ไ, วไปถึงเราก็ปลอบใจท่าน อ, อาจารย์คราวนี้อาจารย์ตายแน่ยังไงก็ไม่รอดหรอก ไหนจะตายแล้วนะตายอย่างผู้ปฏิบัติตายอย่างนักรบของพระพุทธเจ้าอาจารย์ดูกายมันตายไปนะนอนดูกายมันตายไปใจเราเป็นยังไงหวั่นไหววิตกอะไรขึ้นมาให้รู้ทันไปใจเป็นกลางแล้วดูกายมันตายไปดูอย่างนี้นะเนี่คือวิธีตกะไดพอยโจนจำไว้นะตกะไดพอยจนไม่ใช่น้อมใจให้ว่างไม่มีอะไรเลยอันนั้นจะไปเกิดใหม่ในพรหมโลก ดังนมีสติรู้ลงไปเห็นร่างกายมันตายจิตเป็นคนดูเท่านั้นเองถ้าจิตมันไหวยินดียินไล่อะไรขึ้นมาให้รู้ทันจิตจิตเทอ่เข้าไปสู่ความเป็นกลางเป็นกลางแล้วดูตายมันตายท่านดูจริงๆนะท่านก็รู้ว่ารอบนี้ตายง่ายๆเลยญาติโยมก็คงงๆนะหลวงพ่อไปเยี่ยมคนไข้เขาบอกตายแน่ๆเลยคุณหนึ่งอยู่ด้วยใช่ไหม <c oughs> อยู่ด้วยก็ตายไงก็ไม่รอดแนละ้ว สอนวิธีที่จะให้ท่านตายตกกระดพลอยโจรแล้วคราวนี้ทําไมท่านทําได้เพราะท่านฝึกจเจริญสติอยู่ตั้งแต่ยังไม่ทันตายจำไว้นะงั้นหน้าที่ของเราปฏิบัติตั้งแต่ก่อนจะตายไม่ใช่รอให้โจนตายแล้วจะไปทําใจให้ว่างคนละเรื่องกันนะงั้นพยายามรู้สึกนะรู้สึกรู้สึกตัวไปได้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยบางวันไม่สบายขึ้นมา กินยาเข้าไปนะหัวหมุนหมุนมืดตื้อไปหมดนะหัวเวียนหมุนหมนติ้วติ้วติ้วเลยดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยทําไงดีดูไม่รู้เรื่องก็รู้ว่าดูไม่รู้เรื่องเห็นไหมรุ่มใจขึ้นมาว่าตายแล้วว่าดูไม่รู้เรื่องรู้ว่ากลุ่มใจเห็นไหมดูรู้เรื่องละง่ายจะตายไปง่ายง่ายสุดๆนะเมื่อวานอาจารย์กริชท่านบอกหลวงพ่อยีกว่าง่ายจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์บอกหลวงพ่อก็ไม่ว่าไม่เห็นอะไรมันง่ายเหมือนวิปัสนาเลย สมถะทำยากนะเราต้องจิตไม่สงบทําให้สงบจิตไม่ดีทําให้ดีมีศาสนาจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีง่ายกว่ากันเยอะเลยไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษานะเพียงแต่มีสติตามรู้ตามดูเรื่อยๆไปเกิดจะตายขึ้นจริงๆนะเลอไปหมดแล้วรู้วเบล อ, บลอกังวลขึ้นมารู้ว่กากังวลรู้สึกดีใจเออตายตา ย, ตายทันทีทรมานนานแล้วรู้ว่าดีใจนะ ถ้าขืนดีใจแล้วตายตอนนั้นก็ไม่ดีอีกแหละจิตมีโลภะใช่หมให้เราคอยรู้ทันรู้ทันตัวเองไปเรื่อยนะฝึกตั้งแต่อย่างมีชีวิตอยู่นี่แนละแล้วถ้าจบได้ก็จบไปเลยถ้าจบไม่ได้เราก็ไปเตรียมชิงธงเอานาทีสุดท้ายตอนจะตายอีกทีหนึ่งนั่นสงครามยกสุดท้ายละถ้าหลุดพ้นไปก่อนได้เลยก็หลุดไปเลยนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านตายอย่างงดงามมากนะตาย บางองค์ท่านทรงฌานชำนี้ชํานานเวลาจะตายนะท่านเข้าฌานนะเข้าฌานแล้วก็ถอยออกมาเข้าแล้วก็ถอยออกมาเข้าแล้วต่ อ, อามาลึกๆเข้าไปนะจนถึงฌานที่9เลยเข้าออกเข้าออกเสร็จแล้วท่านก็ถอยออกมานะอยู่ระหว่างรูปฌานกับรูปคือไม่เพ่งทั้งรูปไม่เพ่งทั้งอรูปไม่เพ่งอะไรเลยนะดับลงด้วยความรู้สึกตัวตรงนั้นมีพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งไม่ได้เล่นอย่างนี้ท่านก็ตายไปอย่างเบิกบาน จบไม่จบไม่รู้หรอกนะรับรับผิดชอบไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกสิทธิการพยากรณ์ให้หลวงพ่ออย่างหลวงพ่อหลวงพ่อกิมเนี่ยในวันจะตายนะท่านก็เข้าสมาธิเข้าเข้าหลวงตาผนึกเนี่ยไม่ได้เข้าอย่างนั้นท่านก็นอนตายแท่านเฉยๆนะตอนจะตายเนี่ยนะผ่องใสมากเล ย, ยงั้นพระนี่จะผ่องใส สองทีนะตอนเข้าใจธรรมะถึงที่สุดทีหนึ่งนะแล้วก็ตอนจะตายอีกทีหนึ่งจะผ่องใสมากงดงามคนโบราณเขาก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าคนใกล้ตายเนี่ยน่าจะผ่องใสแล้วเราต้องฝึกตั้งแต่ยังเป็นๆอยู่ไม่ใช่รอให้ตายแนละ้วเนี่ยจะมาฝึกนะเราต้องฝึกให้ถูกวิธีวิธีฝึกเตรียมตัวตายก็คือฝึกมีสตินั่นแหละมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้เรื่อยๆไปนะ อย่าไปเอาแต่เพ่งเพ่งนะอย่าไปน้อมใจให้นิ่งให้ว่างอ น, นั้นเป็นการปรุงแต่งพบขึ้นมาอีกเนยก็จะไปสู่พบที่นิ่งนงว่างๆสังเกตดูคนที่พยายามจะเข้าหาความว่างจิตจะไปติดพบถ้าดูเป็นนะมีหูมีตามย่งไปดูจะรู้เลยติดจิตติ ด, ตดพบอยู่ไปสร้างพบภายนในขึ้นมาแล้วก็เคลิมๆอยู่อย่งั้นเยิ้มๆอยู่อย่างนั้ น, น, นติดอยู่ใช้ไม่ได้ พยายามรู supuesto, ้สึกต no ัวนะอะไรก็ไม่ดีเท่ารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเป็นแล้วก็คอยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยไม่นานหรอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้ธรรมะบ้างไม่ยากเท่าที่คิดแต่ต้องอดทนไม่ใช่อยู่ๆลอยๆแล้วชั้นจะได้ขึ้นมามันไม่ได้หรอกต้องลงทุนลงแรงนะรักษาศีลไว้ก่อน จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันไปจิตใจวิ่งไปทางโน้นทางนี้รู้ทันไปจนกระทั่งจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็จิตตั้งมั่นนะสติระลึกรู้กายก็จะเกิดปัญญาเห็นกายไม่ใช่เราสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทั้งหลายก็จะเห็นเวทนาไม่ใช่เราสติเกิดระลึกรู้จิตต่สังขารเช่นโลภโกรดหลงทั้งหลายก็จะรู้ว่าโลภโกรดหลงทั้งหลายไม่ใช่เราสติไประลึกรู้จิตก็จะเห็นว่าจิตมันก็เกิดดับไปเรื่อย เดี๋ยวกเกิดที่ตาก็ดับที <S <S ่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดทางใจก็ดับที่ใจเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นเกิดได้ทีละแวบแวแวบๆไม่มีตัวตนในกายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวินเดียนไม่มีตัวเราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งจะได้ธรรมะรู้กายไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้เวทนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้จิตด้วยจิตที่ตั้งมั่นฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะได้รับดอกผล เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่น่าเชื่อว่าความสุขชนิดนี้ก็มีอยู่ด้วยแต่ความสุขนี้ไม่มีอยู่ในโลกนะความสุขนี้อยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตตะระโลกุตตะระคือสิ่งที่อยู่เหนือโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือกายกใจของเรานี่เองคําว่าโลกในทางศาสนาพุทธไม่ได้โลกทางภูมิศาสตร์นะไม่ใช่โลกกลมๆุนรอบตัวเองยีิบสี่ชั่วโมงโลกนี้ไม่ใช่คําว่าโลกในทางศาสนาพุทธเนี่ยหมายถึงร่างกายนี่ กายยาวานาครืบคว้างประมาณหนึ่งศอกนะมีสัญญาและใจคลองก็คือมีกายกระใจนี่เองที่เรียกว่าโลกดังนั้นรู้แจ้งโลกนะ<ม>ก็หมดความยึดถือในใกายในใจพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจเขาเรียกเหนือโลกเรียกโลกุตตะละเราอยากได้โลกุตตะละใช่ไหมอยากโลกุตตะละบางคนภาวนาไม่เป็นนะอุตสาตั้งชื่อเป็นโลกุตตะละก็มีนะเคยเจอ คนดูดูมันจะไม่โลกรุตระนะมันจะโลกกันเฉยเฉยมันจะไม่ใช่โลกรุตระหรอกโลกุตระอยู่เหนือโลกหมายถึงอะไรหมายถึงอยู่เหนือขันขันมีอยู่นะแต่ไม่ยึดถือขันอยู่ตรงนี้เรียกโลกรุตระอย่างยึดถือขันอยู่ก็เป็นโลกไม่ใช่โลกรุตระโลกุตระก็คือโลกกับอุตระอุตระคือคําว่าอุดรอุดรที่ปฏิวัติเหนือนั่นแหละก็คือเหนือโลก ฝึกภายหนวันหนึ่งเห็นแจ้งโลกอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้แจ้งโลกก่อนคนอื่นท่านเลยได้ชื่อว่าโลกกวิถูโลกกวิถูแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรไม่ใช่โลกภูมิศาสตร์นะามาถามทั้งเส้นลูงเส้นแหวงอะไรท่านไม่สนใจจะตอบทวีปมีกี่ทวีปอะไรเงี้ยคนละทวีปกันคนละแบบท่านไม่สนใจหรอกทวีปแอฟริกาอะไรเงี้ยนะ ท่านรู้แจ้งโครคือท่านรู้แจ้งขันห้าของท่านรู้แจ้งกายรู้แจ้งใจรู้แจ้งรูปรู้แจ้งนามนิงรู้แจ้งละหมดความยึดถือขึ้นสู่โลกุตตะละเข้าถึงความบริลล <throwing Yep. S 1> สุทธิ์หลุดพ้นเขาพ้นจากความพ้นทุกเหท่านพ้นจากทุกไปพ้นทุกพ้นทุกก็คือพ้นโลกโลกก็คือกายกับใจพ้นทุกก็คือพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจนี <S <S ่ฝึกอย่างนี้ได้ได้นะรู้สึกไปไม่ได้ยากหรอก คนทั่วๆไปทําไมมันพ้นโลกไม่ได้เพามันหลงโลกมันเห็นร่างกายนี่ก็รู้สึกว่านี่ตัวเราเห็นไหมความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็รู้สึกว่าเราโลภเราโกรธเราหลงเราสุขเราทุกข์เนี่ยมันรู้สึกมีเราขึ้นมาร่างกายนั่งอยู่ว่าเรานั่งร่างกายยืนก็ว่าเรายืนร่างกายเดินก็ว่าเราเดินร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ว่าเราหายใจออกหายใจเข้านี่มันหลงโลกแลร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ว่าเราสุขเราทุกข์จิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ว่าเราสุขเราทุกข์ แั้นใจมันหลงโลกไปเห็นว่าเป็นตัวเราไป hashtag. หลงว่าเป็นตัวเราเรามาฝึกวิปัสสนานะเรามาดูกายมันทํางานดูจ <estar> ิตมันทํางานจิตเราตั้งมั่นอยู่ต่างหากเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยว่าร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้า ร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่เราสุขเราทุกข์จิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจเฉยเฉยไม่ใช่เราสุขเราทุกข์เราเฉยเฉยจิตใจมันโลภมันโกรธมันหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราห ล, ลงเนี่ยจิตใจเป็นคนไปรู้ไม่ใช่เรารู้เนี่ยถ้าจเจริญวิปัสสนาไปเรื่อยจะเห็นเห็นขันห้ามันทำงานไปไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราฟังแล้วเหมือนยากนะแต่เรียนกับหลวงพ่อประมาณเดือนเดียวก็เห็นแล้วไม่นานหรอก ต้องทนทนนิดหนึ่งลืมของเก่าซะเคยใครไปเข้าคอร์สเข้าอะไรมานะลืมลืมมันไปมันดีมันมีเศษจริงก่าพ้นทุกข์ไปแล้วล่ะพยายามรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนขั้นแรกรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปจิตใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้ร่างกายเราเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปวันหนึ่งถ้าใจตั้งมั่นขึ้นมาจะเห็นในฉับพลันนั้นเลย ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากิเลสทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราตัวจิตเองก็เกิดเกิดดับดับก็ไม่ใช่ตัวเราอีกตัวเราไม่มีงั้นมี2 อ, อย่างนะมีเงื่อนไขก็คืออันแรกมีสติคอยรู้กายรู้รใจโดยที่ไม่ได้จงใจจะรู้แต่มันรู้ของมันเองเพราะว่ามันเคยชินที่จะรู้ตรงนี้ต้องฝึกจนมันเคยชินที่จะรู้หัดรู้บ่อ ย, อยๆแล้วมันก็เคยชินที่จะรู้เองนะ นานๆรู้ทีหนึ่งมันก็ไม่เคยชินที่จะรู้แต่มันจะเคยชินที่จะหลงเพะั้นเราหัดรู้สึกไปเรื่อยใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธก็รู้ใจมันหลงไปก็รู้มันฟุ้งซ่านมันหดหูมันสงสัยรู้ลูกเดียวเลยหัดรู้ไปเรื่อยจนจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองหัดอีกอย่างหนึ่งก็ให้คอรู้ทันจิตที่ถลําไปไหลไป จิตชอบไหลไปเวลาไปดูจิตก็ไหลไปดูเวลาไปฟังจิตไหลไปฟังเวลาไปคิดจิตก็ไหลไปคิดจิตไหลไปไหลมาทั้งวันนึกว่าจิตไม่ตั้งมั่นถ้ารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะตั้งขึ้นมาเองตั้งมั่นเองชั่วขณะนะถ้าเมื่อไรมีสติอัตโนมัติจะมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็สติระลึกรู้กายก็จะเห็นกายไม่ใช่เราถ้าสติระลึกรู้เว <Amsterdam> ทนาก็าเห็นเวทนาไม่ใช่เรา สติระลึกรู้สังขารก็เห็นสังขารไม่ใช่เราสติระลึกรู้จิตก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนะฉะั้นอยู่ที่เงื่อนไขสอตัวก็มีสติอันหนึง่งคือมีสัมมาสมาธิคือมีใจที่ตั้งมั่นอีกอันนึงถ้าใจไหล ไ, ไหลไปเคลื่มเคลื่มไปไหลไหลไปนะหลงหลงไปนะจะไม่เกิดปัญญาเห็นกายเห็นใจเป็นใจ ล, ลักหรอกจะจะเห็นว่าเป็นตัวเราถ้ามีความใจใจตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่จะเห็นเลยตั้งกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราเดินนะ กายมันเดินไม่ใช่เราเดินจิตมันคิดไม่ใช่เราคิดจะเห็นะอย่างนี้ตัวเราไม่มีดูเรื่อยๆดูไปจนวันหนึ่งจิตยอยมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีได้เป็นพระโสดาบันดูต่อไปอีกกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ล้นๆ้นเลยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างทุกวันนี้เห็นกายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นจิตมันทุกข์บ้างสุขบ้างนะแต่พละสติปัญญาแก่ราบจริงๆ่ะเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้นลนจิตนี้ทุกข์ล้นลนถ้าเห็นถึงขนาดนี้ได้ยอมรับได้นะจะเป็นพระอรหันต์ จะหมดความยึดถือกายยึดถือใจพ้นจากโลกคือพ้นจากขันห้าพ้นจากกายจากใจนี้ละนี่คือเส้นทางเดินที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินมาพวกเราต้องการไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเดินในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ไปเดินเส้นที่ลือศีสอนนะลือศีสอนให้เพ่ง น, น้นเพ่งนี่เพ่งความว่างเพ่งจิตไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งพอสมควรเชิญไปทานข้าว วันนี้เทศส่งท้ายให้พวกบางประกงนะน้ำมันขึ้นขึ้ น, นลงลงการภาวนาํมก็ขึ้นขึ้นลงลงเนะ่ยอย่าขี้เกียจก็แล้วกันนี่หมดเลยครับนี่หมด